ในพิธีพระราชทานปริญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่33าประจำปีการศึกษา2561ระหว่างวันที่ 19-23 ถึงสิงหาคมสองพณหอประชุมราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโรรคลครีราชมงคลทัญบุรีโโรรอรําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี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 ก็เป็นเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยคือจะเล่าสู่กันฟังและกันว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่ได้มีโอกาสเดินทางไปพร้อมกับคณาจารย์อีก10วท่านได้ไปยังเมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียเพื่อไปเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องของเทคนิควิธีการสอนซึ่งพูดในเบื้องต้นก่อนแล้วกันว่าได้รับความรู้อย่าง เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ไปพักผ่อนได้ไปเปิดหูเปิดตาในต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่คู่ควรแก่การไปเยี่ยมชมไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวด้วยออสเตรเลียนี้ชื่ออย่างเป็นทางการที่เป็นภาษาไทยเรียกว่าเครือรัฐออสเตรเลียเป็น Commonwealth of Australia เป็นประเทศที่มี แผ่นดินที่ค่อนข้างจะจะดูแปลกในสายตาของคนอื่นคือมีแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลียมีเกาะเทสมาเนียเกาะอื่นๆในมหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกมหาสมุทใต้เป็นประเทศใหญ่เป็นอันดับหของโลกเมื่อนับพื้นที่ทั้งหมดในออสเตรเลียนี่พื้นที่ต้องต้องนับว่า มีความแปลกประหลาดคืออยู่กันได้คือหนึ่งในสามนั้นเป็นทะเลทรายแต่เขาก็พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเขาได้ในระดับต้นๆของโลกประเทศเพื่อนบ้านของออสเตรเลียนั้นเนี่ยประกอบด้วยอินโดนีเซียเพราะว่าค่อนมาทางตรงนั้นมีปาปัวนิวกินีมีติมอร์เลสเตทางเหนือหมู่เกาะโซลมอนลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ก็ออขอภัยลงไปทางใต้ก็เป็นนิวซีแลนด์ ประมาณอย่างนั้นประมาณว่าอย่างน้อยสี่0 0ื่นปีก่อนจะมีการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกของอังกฤษในศตรวรรษที่1ิออสเตรเลียเป็นที่อยู่อาศัยของชาวชาวพื้นเมืองชาวพื้นเมืองในออสเตรเลียเมื่อก่อนนี้นี่มีภาษาพูดที่แบ่งได้เป็นกลุ่มๆประมาณ250ภาษา วันที่ไปที่ออสเตรเลียนนั้นเนี่ยก็ถามเขาว่าเออย่างนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียก็คืออบอริจินและทําไมถึงไม่มีการสอนหรือไม่มีการเรียนรู้เรื่องภาษาของชาวอบอริจินอบอริจินิสอย่างนั้นทางชาวออสเตรเลียเขาก็บอกว่าเนื่องจากภาษาของอบอริจินนั้นมีภาษาถิ่นเยอะมาก เยอะจนหาแกนกลางไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่น่าเสียดายว่าไม่ได้มีการสอนภาษาพื้นเมืองของของเมืองนั้นไม่เหมือนกับประเทศจีนสมมุตินะครับว่าเป็นปกติก็พูดแมนดารินซึ่งเป็นภาษาจีนกลาง อาจจะเป็นพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็ค่อยไปสอนภาษาถิ่นของตัวเองเช่นถิ่นแจ้จิ๋วถิ่นไหาหลําถิ่นแค่อย่างนี้เป็นต้นแตออสเตรเลียนี่ค่อนข้างจะวุ่นวายในแง่ของของภาษาหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งก็พูดภาษาไม่ซ้ํากันการค้นพบทวีปออสเตรเลียนั้นเนี่ยค้นพบโดยนักสำรวจชาวดัชในปีคริสต์ศักราช1606 ครึ่งหนึ่งของฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียนั้นถูกอ้างว่าเป็นของสหราชอาณาจักรขออนุญาตได้ว่าอังกฤษแล้วกันแล้วก็ในปี1770นั่นเองก็มีการตั้งรกรากกันขึ้นมา1178มีการขนส่งเอานักโทษ ของอแถบเครือจากภพอังกฤษสหราชอาณาจาักรนั้นเนี่ยมาทิ้งไว้ที่ออสเตรเลียจำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่พูดนี่คือประมาณ230ปีที่แล้วก็คงจะต้นต้ น, ตนรัตนโอสินท์ที่ออสเตรเลียไปบรรพบุรุษได้เดินทางมาจากอังกฤษนั่นจึงเป็นเหตุว่า ทำไมออสเตรเลียถึงได้เรียกว่าเป็นเครือรัฐออสเตรเลียก็เพราะว่ายัางคงมีระบบการเมืองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยมั่นคงมีระ บ, บอบรัฐบาลกลางมีพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญมีประชากรณนะนาทีนี้ก็20กว่าล้านคนแล้วก็หนาแน่นไปทางตะวันออก ออสเตรเลียนี่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสิบสองของโลกในปีเกือบทศวรรษที่ผ่านมาออสเตรเลียมีรายได้ต่อหัวที่สูงที่สุดอันดับห้าของโลกค่าใช้ใจ่ายในแง่ของการลงทุนไปเรื่องของ ทหารนั้นเนี่ยออสเตรเลียก็สูงสุดเป็นอันดับ13ของโลกดัชนีการพัฒนามนุษย์สูงสุดอันดับสองทั่วโลกออสเตรเลียถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่สูงในการเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพในการทำงานในระดับชาติเช่นว่า ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีการศึกษาที่ดีมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจต้องวงเล็บว่านอกจากเสรีภาพแล้วก็มีเสถีย ร, รภาพด้วยมีการปกป้องสิทธิเสรีภาพของพ ล, ลเมืองนั้นออสเตรเลียเป็นสมาชิกของสหประชาชาติเป็นเครือจักรภพแห่งชาติมีองค์กร เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนามีความร่วมมือกระจายมาถึงทางฝั่งเอเชียแปซิฟิกและก็หมู่เกาะแปซิฟิกฟอรั m มด้วยด้วยเหตุที่เมื่อสักครู่นี้พูดว่าออสเตรเลียนั้นเนี่ยมีบรรพบุรุษเป็นชาวออริจินคือตั้งต้นถิ่นฐานของเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ในเวลาต่อมาอังกฤษก็เอานักโทษไป ทิ้งไว้ที่นั่นแต่คงเป็นนักโทษที่มีที่มีคุณภาพมากพอที่จะพัฒนาคนรุ่นต่อๆมาของตัวเองไม่ใช่นักโทษที่ไม่ได้มีคุณภาพแต่ประการใดเมืองที่พวกเราได้ไปกันเนี่ยเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหน้าท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของของออสเตรเลียพอพูดถึงออสเตรเลียคนก็มักจะนึกถึง เมืองใหญ่ๆเมืองซิดนีย์เมืองเมลเบิร์นแต่ที่พวกเราได้ไปเข้ารับการอบรมนั้นเนี่ยคือเมืองบริสเบนเมืองบริสเบนนี่ใหญ่เป็นอันดับสามของออสเตรเลียคือรองจากซิดนีย์แล้วก็รองจากเมลเบิร์นมีประชากรไม่มาก เมืองบริสเบนนี่มีประมาณสองล้านกว่าคนสองล้านหน่อยหน่อยล้าน 2, 2ล้านประมาณนี้เมืองบริสเบนนี่นับได้ว่าเป็นเมืองหลวงของรัฐควีนสแลนด์ถ้าหากว่ารวมทั้งรัฐควีนสแลนด์เนี่ยประชากรอยู่ที่ประมาณ 4.5 ล้านคนบวกบวกเมืองหลวง ก็ตักเข้าไปหมายถึงเมืองหลวงของรัฐควีนสแลนนี่ก็ตักเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วบริสเบนนี่เป็นเมืองหน้าอยู่เพราะว่าอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกในตัวเมืองมีแม่น้ำบริสเบนไหลผ่านมีเทียรา บ, บ้างอะไรบ้างภูมิศาสตร์ของเมืองบริสเบนนี่ โดยส่วนตัวนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่พูดว่าไม่ได้ชอบภูมิศาสต์ไม่ได้ไม่ชอบอากาศแต่ไม่ชอบสภาพของอพื้นที่ของเขาเนื่องจากว่ามันขึ้นขึ้ น, นลงลงมันเป็นเขาเป็นภูเป็นอะไรซเยอะนี่ขนาดว่าตอนนี้นี่น่าจะพัฒนาไปเยอะแล้วละมังแต่ก็ยังรู้สึกว่าเป็นเมืองขึ้นขึ้ น, นลงล ง, ลงบ้านที่ไปพักอาศัยอยู่นั้นเนี่ย ก็อยู่บนเนินห่างจากป้ายรถเมล์ถนนใหญ่เนี่ยไปประมาณ1กิโลเมตร1กิโลเมตรก็ไม่น่าจะ จะไกลเท่าไหร่แต่จินตนาการว่า1กิโลเมตรที่ต้องเดินขึ้นเนินไปเนี่ยสขยักเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่อายุมากอย่างผู้จัดรายการมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นเรื่องที่ถ้าจะติดว่าไม่ค่อยชอบเมืองนี้ก็ติดอยู่แค่เรื่องเดียวนอกนั้นนี่แทบจะให้9ให้10เต็มเลยเพราะว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่จะน่าอยู่อย่างไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อว่าเมืองบริสเบนของออสเตรเลีย มีความโดดเด่นและน่าสนใจอย่างไรบ้างสักครู่เดียวครับ ก็อยากให้เธอแค่เปิดหัวใจแค่เพียงสักครั้งสักครั้งได้ไหมโปรดถามสักคำสักคำสักคำได้ไหมโปรดจงเห็นใจ เพรา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 เมื่อสักครู่นี้ผมพูดว่าสภาพของเอผื้นดินของเขานะมันก็ขึ้ น, นลงลงพอสมควรสําหรับเมืองบริสเบนไม่ไม่ค่อยเหมือนกับที่ซิดนีย์ซึ่งค่อนข้างจะเป็นที่ราบเราก็มีโอกาสไปที่ซิดนีย์ด้วยตอนที่ไป น, ะนั้นเนี่ยว่างเว้นจากการฝึกอบรมในวันหยุดเสาร์วอาทิตย์ก็นั่งเครื่องบินไปลงที่ซิดนีย์สิ่งที่เป็น เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของออสเตรเลียก็อยู่ที่ซิดนีย์นี่แหละก็คือเรื่องของอโรงละครโอเปร่าของซิดนีย์ที่คนไทยเห็นเป็นรูปเปลือกหอยนั่นแหละแต่ความจริงแล้วไม่ใช่สถาปนิกผู้ที่ชนะการประกวดนั้นเป็นน่าจะเป็นชาวเยอรมันหรืออะไรประมาณนี้นะครับรู้แต่ว่าเป็นชาวยุโรปบอกว่าไม่ใช่นี่เป็นเขาจินตนาการมาจากเปลือกส้มของพระผู้เป็นเจ้า แต่คนไทยก็มองไม่เห็นแล้ว ค, คนอื่นๆก็คงจะเห็นเหมือนกันคือเหมือนกับมันเป็นเปลือกหอยเลยกลายเป็นตราสั ญ, ญลักษณ์ของออสเตรเลียไปซะอย่างนั้นกลับมาที่บริสเบนว่าสภาพภูมิอากาศของเขาเนี่ยอยู่ในเขตที่ได้ชื่อว่ากึ่งร้อนชื้นที่พูดว่ากึ่งร้อนชื้นอย่างบ้านเราเนี่ยร้อนชื้นของเขานี่กึ่งกึ่งร้อนชื้น อุณภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 16-25 องศาเซลเซียสซึ่งก็นับว่าสบายๆนี่โดยเฉลี่ยนะครับได้รับแสงแดดโดยเฉลี่ยประมาณ6เอ่อ8ชั่วโมงต่อวันตลอดทั้งปีดังนั้นบริสเบนจึงเป็นเมืองที่มีอากาศอบอุ่นทุกฤดูนี่คำว่าอบอุ่นนี่คืออบอุ่นในสายตาของของชาวออสเตรเลียของชาวอื่นด้วยซึ่งไม่น่าจะใช่ชาวไทย บ้านเขาก็มีสี่ฤดูฤดูร้อนนี่ช่วงปลายปีไปจรดต้นปีช่วงสักประมาณธันวามกรากุมงพาถัดมานี่บ้านเราก็เข้าสู่ช่วงซัมเมอร์แต่บ้านเขาเป็นฤดูใบไม้ร่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาเดือนตอนนี้ มิถุนากรกดาสิงหานี่บ้านเขาเรียกเป็นวินเทอร์คือฤดูหนาวแล้วก็อีก3เดือนถัดไปกันยาตุลาพฤศจิกาเป็นฤดูใบไม้ผลิเออแนะนำว่าถ้าหากว่าจะไปช่วงนี้ก็จะดีมากเป็นฤดูหนาวหรือใครสนใจจะไปฤดูเ อ, อ่อที่มันหิมะตกอะไรก็คงต้องเลือกไปเดือนอื่นแต่เดือนนี้ก็น่าจะเป็นเดือนที่ดีก็มีฤดูร้อนเหมือนกันนะแต่ก็คงไม่ได้โหดร้ายทารุณแบบบ้านเรา ฤดูหนาวตอนที่ไปนี่บางวันก็หนาวลงไปประมาณ8องศา9องศาในตอนบ่ายๆอาจจะอุณหภูมิสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่ง22องศา23องศาประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ผู้ที่ชอบอากาศค่อนข้างหนาวก็เมืองบริสเบนน่าจะอยู่ในลำดับต้นๆที่ท่านจะได้ไปท่องเที่ยวที่นั่นไปออสเตรเลียนี่ต้องใช้วีซ่า ไม่เหมือนกับหลายประเทศที่ปัจจุบันไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วเช่นญี่ปุ่นเช่นไต้หวันอย่างนี้เราก็ไม่ต้องแสดงวีซา่านักท่องเที่ยวแล้วถ้าไปออสเตรเลียจะต้องทำวีซ่านั้นเนี่ยแนะนำว่าทำแบบออนไลน์จะดีกว่า คือความจริงแล้วสามารถทำได้สองแบบนะครับคือยื่นเอกสารปกติกับยื่นแบบออนไลน์แต่ถ้าไม่อยากไปต่อคิวไม่อยากไปอะไรเนี่ยก็แนะนำว่าทำแบบออนไลน์ซึ่งออนไลน์ก็เยอะมากกรอกข้อมูลเยอะมากวงเล็บมากๆอย่างนี้จะดีกว่าเมื่อกรอกไปแล้วเขาก็จะตอบกลับมา เมื่อตอบกลับมาแล้วว่าเราไม่มีโรคอะไรร้ายแรงหรืออะไรเงี้ยนะเราก็ไปยื่นเอกสารซึ่งจะต้องออจ่ายเงินด้วยสำหรับการขอวีซา่าการการไปจ่ายตังก็มีวิธีการที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเป็นแต่เพียงคนอาจจะเยอะเพราะว่าเปิดเมืองมากขึ้นมากขึ้นถ้าไม่ได้ก็ลองติดต่อกับบริษัททัวร์ให้ ให้เขายื่นแบบออนไลน์ก็ได้ปกติแล้วก็จะนักท่องเที่ยวเ็าให้ประมาณสามเดือนแต่เผื่อคนที่กรอกข้อมูลดีๆเนี่ยนะแบบออนไลน์เนี่ยอาจจะได้ถึงสามปีก็ได้ท่านก็จะได้ไปหลายเมืองหน่อยในเมืองอในประเทศออสเตรเลียการเดินทางจากไทยไปบริสเบนตอนนี้มีสายการบินนอกจากการบินไทยเจ้าประจำแล้วก็ยังมีสายการบินเอกชนมีไทย แอร์เอเชียเข้าไปเปิดตลาดที่นั่นด้วยจะต่างกันแต่เพียงว่าบริษัทเอกชนนั้นบินจากดอนเมืองแต่การบินไทยนั้นบินจากสนามบินสุวรรณภูมิใช้เวลาในการบินบินตรงประมาณ9ชั่วโมงราคาก็ถ้าเป็นโปรโมชั่นของสายการบินเอกชนน่าจะทั้งไปทั้งกลับไม่น่าจะถึง1 0 0 0 0มืนบาท การเดินทางหลังจากไปถึงที่นั่นแล้วจากสนามบินเข้ามาสู่ตัวเมืองบริสเบนนั้นนี่ก็ง่ายๆสะดวกมีรถไฟให้บริการทุก15นาทีวิ่งก็ไม่ได้ฉึกกระชากแบบบ้านเราเพราะเป็นรถไฟฟ้าก็ใช้เวลาวิ่งประมาณ25นาทีก็ถึงตัวเมืองบริสเบนสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมไปสมมติว่าจะต้องเตรียมเงินไปก็สามารถจะแลกเงินดอลลาร์ของ ออสเตรเลียไปล่วงหน้าได้นาทีนี้ออสเตรเลีย1เหรียญออสเตรเลียนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ21 22 23ประมาณอย่างนี้ก็แล้วแต่ขึ้นขึ้ น, นลงลงตามตลาดก็แลกไปพอประมาณก็ได้ที่นั่นก็ยังคงใช้เงินสดในการซื้อของยังคงใช้บัตรเครดิตค่อนข้างที่จะมากมีน้อยมากที่จะสามารถใช้ QR Code ค เพื่อที่จะในการชำระค่าสินค้าและบริการอันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับที่ที่ประเทศจีนทุกอย่างตอนนี้ก็แทบจะใช้ QR Code กันทั้ ง, งหมดแล้วเพราะว่าเขาอยากจะลดการใช้เหรียญการใช้ธนบัตรซึ่งมันก็มีการปลอมบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไม่ตอบโจทย์เรื่องของอการผลิต เหรียญเงินตราอะไรทั้งหลายซึ่งใช้งบประมาณในการผลิตค่อนข้างที่จะเยอะที่ประเทศจีนนั้นเนี่ยซื้อปะท่องโกสักหนึ่งหยวนสละเปลาสักหยวนน้ำเต้าหู้สักหยวนนี่ก็ยิงคิวอาโค้ดกันเออกระเริ่กแต่ว่าที่ออสเตรเลียยังไม่ค่อยที่จะที่จะเห็นเท่าไรแต่การช้อปปิ้งในบ้านเมืองเขาถ้าหากว่าเราไปช้อปปิ้งนี่สิ่งซึ่งเราควรจะต้องเตรียมไปก็คือเรื่องของอถุงผ้า เรื่องถุงผ้าไม่งั้นก็เขาก็จะไม่มีอะไรให้กับเราคือหรือถ้าเราต้องการถุงพลาสติกก็ถุงหิ้วนะครับก็สามารถที่จะที่จะขอได้แต่อย่าลืมว่าท่านจะต้องเสียเงินในซูเปอร์มาร์เก็ตก็เช่นเดียวกันเอ่อคนที่ซื้อของไม่มากรายการไม่มากเนี่ยนะใส่ตะกร้าในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็นิยมที่จะมาจ่ายเงินเองสแกนเอา เอ่อสแกนเป็นบาร์โคดเอาเองไม่ต้องไปเข้าคิวเพื่อจ่ายให้กับพนักงานเว้นเสียแต่ว่าของของท่านซื้อมาค่อนข้างที่จะเยอะของในออสเตรเลียก็มีเรื่องที่น่าซื้อหามากมายมีอะไรบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาคุยว่าถ้าไปออสเตรเลียมีอะไรน่าซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองบริสเบนสักครู่เดียวครับ วันเวลาหมุนความเดียวดายผ่านใจดวงนี้ทุกวันไม่มีใครข้างกันอ้างวางจนน่าสงสัยทุกถามเสมอว่าทำไมกันป่านนี้ไม่มีผู้ใดหรือไม่มีรักในหัวใจจะมอบให้ใครทั้งนั้น เปิดใจตรงนี้เลยคำว่ารักฉันมีอยู่แทบล้นใจแต่ยังไม่มีที่ใช้ก็เท่านั้นเองอยากบอกรักกับใครสักคนอยากใช้หนึ่งคำคำนี้พูดให้ใครฟังดีเป็นเธอจะได้หรือเปล่า กดเธออยู่ดีรับไปใจฉันคงไม่เงียบเงาเพราจะบอกรักไม่เบาเบาแต่เธอเต็มใจฉันใจมันกับเธอเพราะชีวิตไม่ง่ายจะเจอกับคนหนึ่งคนที่ใช่ฉันเลยเก็บ รักไวเพื่อเจอคนที่พอดีแต่แล้วกี่คนพบคนดูหมก็มีเจ้าของทุกทีหวังว่าเธอนั้นคงไม่มีไม่หวังมากไปใช่ไหมเปิดใจตรงนี้เลยคำว่ารักฉันมีอยู่แทบล้นใจ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 เธอเต็มใจให้ฉันใช้มันกับเธอโปรใจตรงนี้เลยคำว่ารักฉันนีอยู่แทบล้นใจแต่ยังไม่มีที่ใช้ก็เท่านั้นเอง อยากบอกรักกับใครสักคนอยากใช่หนึ่งคำคำนี้พูดให้ใครฟังด mm ี hmm. เป็นเธอจะได้หรือเปล่า mm hmm. หากว่าเธอยังดีรับไป mm hmm. ใจฉันคงไม่เงียบ mm hmm. เงาพร้อมจะบอกรักไเปเบาๆแต่เธอเต็มใจให้ฉัน เต็มใจน่อยได้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 พบกับช่วงสุดท้ายของรายการเพลินภาษานานาสาระเมื่อตะกี้นี้พูดกันเรื่องของการใช้จ่ายในเมืองบริสเบนขออนุญาตขั้นรายการด้วยการบอกกล่าวว่าถ้าหากว่าท่านจะเดินทางในเมืองบริสเบนเนี่ยก็สามารถจะใช้บริการได้หลายรูปแบบที่บอกว่าหลายรูปแบบนั้นก็เพราะว่าสามารถเดินทางได้ทั้งรถบัสรถไฟ แล้วก็มีเรือโดยสารซึ่งก็ล่องไปตามแม่น้าบริสเบนเผลอๆจะมีเรือให้ขึ้นฟรีด้วยการเดินทางโดยโดยรถบัสสะดวกที่สุด<ม>เขามีบัตรที่เรียกว่าเป็นบัตรโกคาร์ดบัตรโกคาร์ดนี่หาซื้อได้ตามสถานีรถไฟทั่วไปหรือแม้กระทั่งสถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างของระหว่างสายโน้นสายนี่ของรถบัส สามารถจะซื้อได้มีค่ามัดจำบัตร10เหรียญส่วนท่านจะซื้อ20 30 50 100้อยเหรียญก็แล้วแต่แล้วก็สามารถจะเติมเงินได้ตามร้านค้าเช่นร้านสะดวกซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเวลาที่เราใช้บัตรโกคาร์ดเนี่ยก่อนขึ้นเขาก็นิยมจะขึ้นตรงฝั่งทางคนขับคนขับ ก็จะเหมือนกับในเมืองไทยคือขับรถเนี่ยชิดทางด้านซ้ายแล้วก็ขึ้นอันนี้คนไทยก็ค่อนข้างสะดวกเพราะว่าไม่ต้องมากลับสมองว่าเขาวิ่งขวาวิ่งซ้ายอะไรขึ้นไปแล้วก็แตะบัตรโกคาร์ดมันก็จะคำนวณ ว, ว่าเราขึ้นจากป้ายนี้ตรงนี้ไม่ลืมที่จะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีกับเจ้าของอกับพนัก ง, งานขับรถยนต์ขับรถโดยสารนั้นด้วย Good Morning, h ลโ l o Hi อะไร ก, ก็ว่ากันไปแล้วก็หาที่นั่งก่อนที่จะลงอย่าลืมท่านจะต้องแตะบัตรโกคาร์ดอีกครั้งหนึ่งเพื่อมันจะได้คำนวณว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่โดยปกติค่าค่ารถบัสที่นั่นราคาค่อนข้างสูงสำหรับคนไทย3าเหรียญสี่เหรียญอย่างนี้แต่ก็สมมุติเท่านั้นว่าถ้าหากว่าท่านลืม ท่านแตะขึ้นแล้วก็ท่านลืมแตะลงนั่นก็แปลว่าท่านหลงลืมอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้แล้วพอท่านไปแตะขึ้นในอีกครั้งหนึ่งมันก็จะถูกชาร์จเพิ่มขึ้นโทษฐานที่ท่านลืมที่จะแตะบัตรออกออความจริงแล้วถ้าหากว่าภายใน2ชั่วโมงเราสามารถจะทำธุระของเราได้เสร็จล้วก็สามารถขึ้นขึ้นลงลง รถบัสได้เลยโดยสะดวกแล้วก็ไม่ได้มีการคิดเงินเพิ่มมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าจะโดยสารโดยรถบัสนั้นจะพบว่าการเดินทางนั้นเร็วกว่าที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวแม้นว่ามันจะไม่สะดวกสําหรับเราในหลายในหลายอย่างเพราะคนไทยชอบที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวแต่ที่นั่นนี่ออรถ บัสของเขานี่เขาจะมีช่องทางพิเศษไว้ให้เฉพาะรถบัสซึ่งสามารถจ ะ, จะตัดทางไกลๆได้อันนี้ก็เป็นอีกอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าน่าจะดีสำหรับเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองบริสเบนการไปซื้อของในบริสเบนหรือในออสเตรเลียนั้นเนี่ยสิ่งซึ่งเราพูดต่อๆกันมาก็คือ เรื่องของอวิตามินยาบำรุงยาเสริมยาอะไรทั้งหลายนี่ก็น่าสนใจมีเยอะมากร้านที่ดิยมจะไปซื้อนี่คือร้านที่ขายน้ำหอมชื่อร้านเคมิสประมาณนี้นะครับไม่มีเคมิสซึ่งเป็นร้านที่ discount store คือลดราคา ราคาน้ำหอมนี่ถูกมากถูกจนไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่ายี่ห้อไหนแบรนด์ไหนที่ลดราคาแล้วก็ลดลดกันอย่างจริงจริงจังๆวิตามินทั้งหลายอันนี้ก็น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนมพึ่งวิตามินซีแคลเซียมหรือยาอะไรทั้งหลายนี่สามารถจะซื้อได้ในออสเตรเลียราคาก็ไม่แพงแต่อย่าลืมว่า น้ำหนักกระเป๋าของท่านท่านได้ซื้อเผื่อไว้แล้วหรือเปล่าการบินไทยให้ท่านได้เพียง30มกิโลเท่านั้นส่วนท่านจะมีบัตรเงินบัตรทองอะไรก็ซื้อให้เต็มที่ไปเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยไปถึงเมืองนั้นสิ่งซึ่งเราควรต้องซื้ออีกเนี่ยคือของทีร่ทระลึกของที่ระลึกของของบ้านเมืองเขาเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ผลิตในประเทศจีน 9ก้าสิบก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ made in China ใครที่อยากจะซื้อของฝากราคาถูกแล้วก็เน้นปริมาณเนี่ยนะร้านของที่ระลึกนี่มีให้เราได้เลือกช็อปปิ้งเยอะมากแม่เหล็กติดตู้เย็นแก้วน้ำตุ ก, กตากระเป๋าหนังโน่นหนัง น, น, นี่อะไรเงี้ยนะถ้าไปนี่ก็นั่งรถไปที่ Queen Street Queen Street นี่ ตรงบริเวณนั้นเรียกเดอะซิตี้เดอะซิตี้ก็ไปมีร้านรวงให้เราได้จับใจใช้สอยค่อนข้างที่จะเยอะร้านที่เป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆโตๆเนี่ยอย่างเช่นห้างเวสต์ฟิลด์อันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็มีร้านเอร้านนี้ผมเองก็ไม่ได้ไปมามันเหมือนกับเป็นเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนี่แหละชื่อ ทูลงทูลแรงอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบที่จะซื้อของช็อกโกเลตเอยโกโก้ เ, เอยมีร้านที่ได้รับความนิยมอย่างสูงราคาก็สูงเช่นเดียวกันคือร้านนูซาช็อกโกเลตแฟกซ์ที่ซึ่งเป็นช็อกโกเลตสัญชาติของควีนแลนด์ควีนสแลนด์ซึ่งเป็นรัฐที่ผลิตช็อกโก เ, เลตอันนี้โดยเฉพาะ มีผู้ที่ชอบดื่มชามีชาชื่อชาทีทูมีเป็นกลิ่นเฉพาะของเขาคือกลิ่น b บริสเบ Breakfast T แต่ที่ไปมามีคนแนะนำให้ลองดื่มชาชื่อว่าชาลาเต้ชาลาเต้ก็คือชานี่แหละแล้วก็ใส่นม มีรถโน่นรถนี่แต่ที่ได้รับความนิยมสูงน่าจะเป็นชายลาเต้ที่เหาะด้วยด้วยซินนามอนซินนามอนก็คืออบเชยนี่แหละก็รสชาติแปลกๆดีมีมีอะไรที่น่าลองอีกเยอะสำหรับ อาหารการกินบ้านเขาถามว่าอาหารการกินบ้านเขามันต่างจากบ้านเรามากน้อยแค่ไหนก็คงเหมือนอนกันกับอาหารฝรั่งก็กินสเต๊กบ้างกินอะไรบ้างผู้ที่นิยม ช, มชมชอบเนื้อวัวก็คงจะชอบเนื้อวัวของที่นี่ที่ทำเป็นสเต็กก็คงจะมีคนชื่นชม แต่โดยส่วนตัวบังเอิญไม่ได้รับประทานเนื้อวัวก็กินได้แต่สเต็กหมูบางทีก็กินซี่โครงหมูอย่างนี้เป็นต้นมีของน่ากินมากมายอาหารไทยในเมืองบริสเบนมีแต่ไม่มากเท่ากับเมืองซิดนีย์ซิดนีย์นี่ร้านอาหารไทยนี่ต้องเรียกว่าเยอะมากมากแทบจะได้รับความนิยมสูงในประดาอาหารต่างชาติของ ของชาวออสเตรเลียสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองบริสเบนถ้าจะให้แนะนำผู้ทีออ่อยากจะนั่งชิงช้าสวรรค์เนี่ยนะคือ The Wheel of Brisbane เป็นชิงช้าสวรรค์ชิงช้ายักษ์นี่แหละถือเป็นแลนด์มาร์คอีกอย่างหนึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำบริสเบนขึ้นไปนี่กรุณาเตรียมค่าขึ้นด้วยนะครับประมาณ22ดอลลาร์ก็คูณด้วย 22บาทไปประมาณ400กว่าบาทก็ลองขึ้นไปแล้วก็ชมเมืองในมุมสูงๆมีที่เราไม่ค่อยจะมีบ้านเขามีก็ยังมีโบแทนิกการ์เด้นซึ่งเป็น้แค่แคเป็นสวนพฤกษศาสตร์สวนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็น่าเดินเล่นดีเหมือนกันมีมีทะเลเทียมอ่ะบ้านเรามีทะเลเทียมสวนสยาบ้านเขาก็มีเสาแบง พาร์คแ n น s ์ทะเลเทียมก็ขุดกันขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำคนก็ชอบไปเล่นที่นี่ไปนอนอาบแดดกันไปอะไรกันแต่ว่าอย่างเราซึ่งเป็นอะไรละ่ะเป็นคนไปเรียนเราก็ไม่ได้ไปทำอย่างนั้นเสาร์อาทิตย์เผอๆจะมีวันศุกร์ด้วยก็จะมีตลาดเซา์แบงกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมีร้านค้าร้านอาหารเยอะส่วนใหญ่มักจะเป็นร้านอาหาร อ, อถ้ามีเวลาอีกก็แนะนำให้ท่านไปที่ออถนนถนนแห่งการกินมัง้งเรียกเป็น East s t ตร e t East Street นี่ต้องนั่งเรือไปแล้วก็ขึ้นไปที่นั่นมีอาหารทุกอย่างหลากหลายจนชาติก่อนจะเข้าไปก็กรุณาเสียตังค่าเข้าด้วยทั้งที่จริงก็ไม่น่าจะเสียแต่ก็อาจจะใช้สำหรับการบำรุงรักษาสถานที่ด้วยมัง้งประมาณสามเหรียญ น่าจะประมาณสามเหรียญพูดที่อยากจะไปสัมผัสกับสัตว์พื้นเมืองของชาวออสเตรเลียที่บริสเบนนีเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ในออสเตรเลียที่ท่านสามารถจะไปอุ้มหมีโคอาล่าแล้วก็ถ่ายรูปด้วนร่วมด้วย เพราะว่าที่อื่นๆนั้นเนี่ยเนื่องจากหมีโคราล่าจะไม่ค่อยชอบให้ใครให้ให้ใครมาแตะต้องอะไรมันแต่ที่ชื่อสถานที่นะครับว่าโลนพายโคราล่าแซงตูรีที่โลนพายนี่มีโคราล่าเยอะมากนะับเป็นร้อยเป็นพันตัวถ้าท่านอยากจะถ่ายรูปเป็นเทวระลึกก็กรุณาไปเข้าแถว เข้าแถวจ่ายตังสำหรับค่าถ่ายรูปเอ่อโคอาล่าที่มาถ่ายรูปกับเรานี่ค่อนข้างจะจะจะจะเชื่องหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาได้รับการเทรนมาอย่างดีค่าถ่ายรูปนี้20ดอลลาร์ไม่นับค่าผ่านประตูอีก30กว่าดอลลาร์หรือว่า40และกันก็ประมาณ6 7 0 0บาทในนั้นก็นอกจากจะมีหมีโคอาล่าแล้วก็มีจิงโจ้ มี p พทริพุสคือตุ่นปากเป็ดมีนกกระตูคือนกกระตัว้วมีทั s m a น i a n d e v i l มีอะไรอีกหลายอย่างที่น่าสนใจสำหรับสวนสัตว์ที่โลนายวันนี้พูดคุยกันเรื่องเมืองบริสเบนของออสเตรเลียมาเพื่อแนะนำว่า การที่จะเดินทางไปต่างประเทศเมืองที่อากาศดีผู้คนอัธยาศัยใช้ได้ดีทีเดียวไม่ต่างกับคนไทยเท่าไหร่มีน้ำจิตน้ำใจอาหารก็น่าสนใจมีแหล่งที่ช็อปปิ้งได้สำหรับคนที่ชอบนน่นนี่นั่น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 ใจเหลือเกินที่บังเอิญพบเธอเป็นอื่นฉันนอนคิดตลอดคืนใยสามชื่อจึงมาเปลี่ยนใจบาดหัวใจเหลือดี ออยังนี้เขายังทำได้แล้วจะรักกันอย่างไรเธอมีไหมก็ควรบอกฉันนี่เธอไปเพลินกับคนอื่นยายสาบเชื่อทำเช่นนั้น ขอบอกว่ามันบาดใจกันทำอย่างนั้นฉันงงไม่ไวาบาดหัวใจเลือทนหน้าชงนที่เธอมาไหนรักเธอนั้นมากลับกลาย เธอมาไหนไม่มีเหตุผล เหลือทนหน้าชะ ง, งนที่เธอมาไายรักเธอนั้นมากลับกลายเธอมาไหนาไม่มีเหตุผล